ความรู้สึกตัวเป็นสี่คำในภาษาไทยเป็นหนึ่งประโยคเป็นอาการที่เกิดจากการปฏิวัติธรรมเป็นอาการที่เกิดจากการกลับมาหาการเคลื่อนการไ่วยองกายความรู้สึกตัวนี้มีทั้งวัน ที่เรารู้หรือว่าเราไม่รู้มันก็มีอย่างนั้นนะเป็นตัวชีวิตถ้าว่าเราไม่รู้สึกตัวมันจะกลายเป็นหลงถ้าหลงมันก็ไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่หลงแต่ถ้าฝึกจะต้องมันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติปัญฐามันก็ ร, รู้ได้วองไวแล้วก็ชัดเจนจนังความรู้สึกที่มันเป็นเองตลอดไม่กระทั่งความคิดมันก็รู้สึกตัวได้แต่ว่าใหม่ๆก็ต้องปฏิบัติแยกให้ชัดกรารแยกให้ชัดนี่มันได้คิดแยกแต่ว่ามันแยกโดยการปฏิบัติการเคลื่อนกันไหวเราเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจลงไป มันมีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้เท่ารู้ทันจนพื้นที่ของจิตมันเป็นสภาวะของความเป็นปกติเกิดความเป็นกลางขึ้นมาภาวะผู้ดูเพราะฉะนั้นความคิดนี้ต้องรู้ให้ชัดเลยปฏิบัติใหม่ๆมาจะยังไม่ชัดถ้ามันสัมผัสรู้สึกขณะที่จิตคิดเมื่อไหร่อันนั้นมันจะได้คำตอบ ก็มันจะไม่ใช่เป็นการคิดรู้มันจะเป็นการสัมผัสรู้เราเป็นความรู้สึกที่สัมผัสแต่ละขณนะจากหยาบไปละเอียดเรียกว่าตัวสะพานกายหรือว่ามันจะเป็นลักษณการสัมผัสรู้เป็นการสัมผัสรู้รอบกองสังขารก็คือมันจะรู้อาการที่มันโปร่ปงๆแต่งๆทั้งหมดทิ่มปลากดขึ้นมา ตัวนี้แหะจึงต้องมีการฝึกหัดฝึกหัดกันปฏิบัติกันเคลื่อนโดยสี่จังหวะรู้สึกว่าเดินโยมรู้สึกแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาลามไปค่อยๆที่จะไต่ขึ้นไปจากสติน้อยๆก็มากขึ้นสติปะฐานนี่มันจะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทุกคนนั่นแหะแต่ว่ามันจะรู้บางครั้งบางกล่าวบางครั้ หรือบาทีมก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ตายสนมันก็จะมีผลเวลาไม่รู้จิตของเราจะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ความไม่รู้คราวนี้ความไม่รู้ก็จะเป็นลนักษณะของอบายภูมิมีรู้รู้ไม่ถูกจะเป็นลนักษณะของเปรตสนรโลกสุรกายมีความอยากพอใจแล้วก็ทะยานอยากเกิดตัณหาเสมอหรือบางทีมันก็ไม่อยากไม่อยากเกิด ลักษณะของวิปัสสนาเนิดมามันจะเป็นตัวพวกนี้เลว่าตันหาตันหามันไปมันรอดมันตีมันตันแล้วมันก็หาทางออกคือมันก็ทุกข์กันนะมันก็บีบกันแล้วมันก็หาทางออกแบบถูบ้างแบบผิดบ้างแต่ส่วนใหญ่จะหาทางออกแบบผิดถ้าขาดความรู้สึกตัวรักขาดสติเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของพบภูมิพบภูมิเป็นปลากฏขณะปฏิบัติ บางทีก็เป็นลนักษณะของจิตที่เป็นสุขตินีสุขติขึ้มายถึงมันปฏิบัติแล้วมันสบายนีมันเบาเนี่ยนะเป็นลักษณะของความสุขที่เป็นอ่าความพอใจเรียกว่ารูปรลมหรือว่าอารมภลมแต่พอใจในวัตถุมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับวัตถุเนี่ยนะนีมันก็เป็นลนักษณะของความพอใจที่ทําให้เราอยู่ได้นานกับสิ่งสิ่งนั้น อันนึ่เป็นลักของรูปปั้มอีกอย่างก็คืออารูปปั้มก็คือจิตมันว่างดีมไม่ได้ทําอะไรหรอกมันสงบเสร็จแล้วมันก็มีความว่างไม่รู้สึกตัวนะแต่ว่าพอใจในอารมณ์ที่ว่างะตรงนี้จะสังเกตได้บางคนเปลี่ตัวเล่นๆล่นสงบงานการไม่เคยได้ทำอะไรบางทีก็ทํางานมากมีความพอใจวันนี้เป็นรูปปั้นเป็นรูปของวัตถุนั่ง ตั้รต้องสังเกตให้ดีจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ความพอใจหรือไม่ใช่พอใจไอ้ที่ทำก็คือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่ทําต้องทำเพราะว่าทําแล้วมันก่อประโยชน์แต่ว่าทํำเฉยๆไม่ได้ทําเพราะว่ามันดีมันชอบมันพอใจแต่ทำเพราะว่ามันได้ประโยชน์ประโยชน์กับใครก็ประโยชน์ตัวประโยชน์คนหมู่มากนะอารมณ์นี้มันก็จะเป็นเรื่องหักของการอยู่ เป็นการทำดีนะนะหรือว่าไม่ติดดีทำดีแต่ว่าไม่ได้ทุกข้ะความดีทำดีไปใครว่าอะไรไม่ได้เป็นไรตู่ก็ได้ผิดก็ได้มันก็มีมันอยู่แต่ที่แน่ๆคือใจมันไม่รับแน่นอนใจเป็นปกติอยู่การเคลื่อนการไหวในรูปแบบนอกรูปแบบในการทํางานที่เรียกว่ากรรมฐานในรูปแบบแล้วาการทํางานปฏิบัตทิทางมือกรรมฐานนอกรูปแบบอันเดียวกัน ถึงจะเรียกได้ว่าทําหน้าที่เป็นการปฏิบัติธรรมก็คือทําล้วผิดก็ได้ถูก็ได้ไม่ได้ทําเพื่ออะไรทําว่าเหตุปัจจัยต้องทํามันก็จะมีะวันอยู่จริงๆในะฉะนั้นความรู้สึกตัวจะเป็นคําตอบการเคลื่อนการไหวหนะั่นจะคือคําตอบเคลื่อนไหวของกายก็รู้สึกเคลื่อนไหวของจิตก็รู้สึกอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนกันมันก็คือลักษณะของอารมณ์ที่เรียกว่า วัตถุอาการแล้วก็ปัลลมันอารมณ์วัตถุแลก็เราจะเห็นวัตถุต่างๆเกิดขึ้นมาต่างตาหูจมูกริ้นกายใจตรงนี้ก็จะนินทาก็ได้สจะระเสินก็ไดนะ้นะก็ทบปูนี่จะระเสินเราก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้ฟนะูหรือว่านินทาหรือว่าตําหนิเราไม่ได้แฟงมันจะมีมันอยู่อาการพวกนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่ตรงไหนไม่ได้ไปตรงไหนไม่ได้หยุดนะมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่มังลังปรากฏ ตัวนี้จะเห็นหน้าการเป็นกริยาต่างๆกระทบเคลื่อนไหวเราจะเป็นลนักษณะของอาการของจิตกปกติอยู่ดูนอกก็คือดูในเนี่ยนะคือมันดูข้างนอกแต่มันกระสักแต่ว่าม่นจะกลับมาดูข้างในไม่เห็นใจของเรามันธรรมดาธรรมดานี่แหละมันก็จะมีที่อยู่มันชัดเจนแลว้วก็ะดีหลักของชีวิตตรงนี้ให้เปิดกรรมฐานนะเพื่อให้เห็นกลไกลของตัวชีวิตเราที่ไกลกระจายจมันอยู่ด้วยกัน แล้วใจมันก็มีจิตที่มีพฤติกรรมของจิตเป็นจริตนิสัยต่างๆมันก็มีอยู่เป็นนอนเป็นน า, าการที่มันแสดงออกนอนเลื่องอยู่ในในเรียกว่าขมวดสันดานก็ว่าระมันจะแสดงออกมาให้เราได้ขูดเก่าดีจังเป็นจันเป็นจันเป็นชั้นเป็นชั้ น, เ ป, น, น, เ, ป น, นเป็นชั้นจากหยาบสดก็คือกิเลสอย่างหยาบนะความโลภความโกรธตรงนี้แสดงออกแบบหยาบหยาบ มาในรูปรอยของการคิดความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกในหยาบด้วยลักษณะของการกระทบสมัมผัสทางตาหูจมื่นกายใจติมปรากฏอยู่เฉพาะหน้านพอกระทบปั๊บจลิตนิสัยให้มารองรับแล้วก็แสดงออกทันทีนพอใจไม่พอใจอันนี้ก็หยาบเหมือนกันน ะ, นะพอไม่รู้สึกที่ตัวมันไม่รู้สึกในการเคลื่อนการไหวที่ตัว ก็ น, นี้พอมันพัฒนาละเอียดลงไปนะก็จะเห็นว่าอ๋อไอความพอใจไม่พอใจนะไอสุขทุกข์พวกนี้มันแสดงออกมามันก็ละเอียดนะ่ยมันแสดงออกมาในรูปรอยของอาการที่มันปรงุงมันแต่งละเอียดตัวตัวสังขารต่างๆเราจึงเนีเคลื่อนไหปรู้สึกตัวให้เห็นชัดๆจากแต่ว่ากายอะไรต้องให้เห็นชัดๆสัมผัสให้ได้บางทีจะประกากฏออกมาเป็นบางครั้งบางคราว บางครั้งบางขราวเพราะว่าบางทีเราก็เคยเผลอหลงไปกับอารมณ์ที่เราชอบเราพอใจอะไรที่เราทำแล้วก็ถนัดเราก็จะได้ทาสิ่งสิ่งนั้นเป็นความพอใจที่จะทำหรือแม้กระทั่งเบื้องต้นพอใจที่จะฝึกในรูปแบบแล้วก็เรียวฉันทะด้วนะมันเป็นความพอใจที่จะทำคราวนี้พอเราทําลงไปในความพอใจไม่พอใจแล้วมันก็จะเป็นลนักนณะของ ความความหลงใหม่ๆไม่มีสตินะไม่มีปัญญามันจะหลงเข้าไปในสิ่งที่ทำบางทีอาจจะเห็นโกงจากเป็นดอกบวกัวก็ได้หลงติดสิ่งเสพติดอย่างนี้นะหลงในรถของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะหลงมาเป็นลนักษณะของการทยานอยากหรือว่าเรียกว่าตัณหาเกิดการติดยึดที่เรียกว่าอุปาทาน ทุกอุปทานมันยึดแล้วก็บอกไม่ถูกว่าทำไมมันต้องไปเสพต้องไปติดอย่างเงี้ยนะทั้งๆที่ไม่ชอบร่วไม่ดีแต่มันก็ต้องทำมันมีแรงผลักตัวไหนเกิดขึ้นหมก็คือมันก็จะโยงกัาหาเราน่าของเราวิยทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของร่างกายของเรามันมีสารต่างๆมากมายนะไม่อยากโ ก, กรธก็กอดพอได้ยินได้ฟังอะไรนิดนึงก็วูบขึ้นมามันก็ปี๊ดขึ้นมาแล้วก็เวียงเลย หลังจากที่มันตะบะแตกทนไม่ไหวเก็บกดกดไม่อยู่มันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ตายสุดก็คือมีพลังระเบิดทําลายตัวเองแล้วทําลายผู้อื่นทันทีเวลากดท่านใดระเบิดออกมาทางกายวาจาจิตของเรามันคิดเรียบร้อยแล้วมันปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วมันทุกข์แล้วเจริญมันก็บีบกันมันก็ทนไม่ไหวมันก็ดันออกมา ไอ้แล้วหนานีมก็คือแล้วหนะของการเก็บกดแล้วก็ไม่ไหวเมื่อก่อนเคยกบเกลื่อนก็คือไม่พอใจก็ยกมือไว้ไม่พอใจก็แหล่ใส่ไม่พอใจก็ยิ้มแต่ว่ามันยิ้มแบบสยองเงี้นะแต่พอเราเห็นอาการเหล่านี้แล้วเราองค์กลับมาฝึกหัดปฏิบัติที่ว่าห ล, ลบไปก่อนคนนี้เราไม่พอใจอารลีไปก่อนไม่พร้อมเผชิญหน้าอย่างงี้นะอันนี้ก็เป็นอาการที่เรียกว่าเก็บกดถ้ากบเกลื่อน ก็ว่ากบเกลื่อนก็หมายถึงว่าทําเป็นใจดีสู้เสืออะไรนะแต่ว่าใจยังไม่ดีรวยังทุกยังแน่นยังอึดอัดนยังลําบากใจอยู่นะเก็บกดกบเกลื่อนเะก็บกดหลบไปก่อนแล้วก็พยายามใส่กรรมฐ า, านลงไปรู้สึกตัวลงไปรู้สึกตัวลงไปรูป้สึกตัวไปกดอึดอๆดอึดอึดอยู่ข้างในแต่พอท้ายสุดพอเจอหน้าก็แดงอีกมันก็แด้งออกมาอีกเราก็ได้เห็นเวลาปฏิบัติกันนะ ปอยให้ไปปอย่างเต็มที่ใช้วิญญาณอิสระเต็มที่ไม่ต้องมีใครมาควบคุมเดี๋ยวเาจะมีอาการเก็บกดเกิดขึ้นมาไตส่วนก็ไม่ไหวให้ลาคาญใจมากประเภที้จะลาคาญแล้วก็ไตสุดก็คือวองตัวให้ดีนะอะไรเป็นมันก็จึงมีอาการอีกตัวก็เรียกว่ากล่อมตัวเองเกิดขึ้นมาอาการกล่อมตัวเองก็คือหนังสือก็ว่าไว้ว่าไม่ดีในพระพุทธประวัติเนี่ยในหนังสือว่าไตาวีดกหรือว่า ครูอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าพระเจ้าอ้างว่าพระเจ้าพูดว่าคนที่มักกรอดเนี่ยไม่ดีนะเหมือนกับคนสองคนเอาเลื่อยมาเลื่อยที่ท้องเนี่ยพอเวลากรอดเนี่ยจิตมันตกแล้วก็ท้องมันจะหายใจไม่ทั่วท้องมันจะวนๆนวนวนกวนอยู่วนวนอยู่ในช่องท้องเรียกว่าหายใจไม่ทั่วท้องเวลากรอดเวลาลมไม่ปกติ ก็ว่ากรอดแล้วมันเหมือนกับตกนรกไงนะมันก็ยอมมานะตรงนี้หรือว่านะกรอดเนี่ยบุคลิกเราจะไม่ดีอย่างเงี้ยนะมันก็ยอมใจเลยละเขาบอกว่าแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นมารก็ยอมอีกแล้วก็บอกว่านะเอ่อคนที่ว่าเรากดที่แสดงพฤติกรรมไม่ดีถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่ก็แสดงพฤติกรรมเนี่ยยังพอท น, นเพราะว่าเขาชีน้นําก็บอกถึงกลุ่มทรัพย์ ให้เราได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรากล่อมอีกแล้วหรือเาก็บอกว่าถ้าหากว่าเด็กมันว่าเราเนะี่ยยิ่งดีเพราะเด็กมันไม่รู้ความจริงจริงพอมันว่าเราเนะี่ยถ้าเราทนได้แต่แรงวัฏรรมโสูงมันก็กล่อมอีกแล้วอันนี้คือความคิดทั้งหมดเลยนะเพรดังนั้นบางทีมันเกิดอาการกบเกลื่อนขึ้นมาบางทีมันเกิดอาการเก็บกดขึ้นบางทีเกิดอาการกล่อมขึ้นมาก้อไก่ทั้งหมดเลยนะเป็นกลุ่มของกิเลส มีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่คือมันเกิดความเป็นกลางเกิดความเป็นกลางแล้วกลมกลืนเห็นสิ่งนั้นแล้วเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องต่อไป เ, เกี่ยวข้องถูกต้องก็คือเกี่ยวข้องด้วยเมตตาคิ ด, ดเมตตาพู ด, ดเมตตาทําดำเมตตาปรารถนาดีทั้งต่อหน้าและรับหลังมันเป็นลักษณะของจิตที่มันมีธรรมไมมีคุณธรรมพร้อมที่จะเรียกว่าให้อภัยไม่ถือโทษไม่ถือสาหาความนะ มันจะมีขึ้นมาแล้วเราก็เรีย ก, กว่าลอยตัวนะมันเป็นแล้วเนีอของจิตที่ปกติเราเห็นว่าเออเขาก็เคยเหมือนกับเราที่เราเคยเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่ารอได้คอยได้อดทนได้วันนี้ก็ไม่เปลี่ยนวันหน้ า, าอาจจะเปลี่ยนนะฮะหรือว่าวันนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่ารับกรรมอยูนะ่เพราะนี้คือกรรมคือพฏติกรรมคือวิบากกรรมของเขานะ่ เราเชื่อว่าทุกคนเป็นพระเจ้าอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าฝึกขาดปฏิบัติรมกันเนียรับรองได้เลยยิ่งมันเดินทางสู่การพ้นทุกข์แต่ว่ามันยากนิดนึงเรผู้ที่สติปัะฐานยังไม่คมชัดสติมันยังไม่ว่องไวเป็นไหวพิปฏิพานมันยังไม่มีหน้าของพบภูมิที่เราว่าสภาวะผู้ดูถ้ามันเยินอยู่เป็นฝั่งได้มันก็เห็นคลื่นต่าง กลืนความคิดขึ้นของอารมณ์คลื่นของปรากฏการณ์ต่างๆนะรูปลดกินเสียงโพธภาธรรมรมนีมันเป็นเรื่องของสภาวะของการเกิดดับจะมาลูกใหญ่ขนาดไหนเหมือนกระสือนาำมิม้มก็ลาบเรียบอยู่ตรงชัยฝั่งนะเพราะนั้นอารมณ์ที่แรงขนาดไหนไท้ายเจอคือมันเรียบมันเรียบจะตรงที่ชายฝั่งนะแต่เราอยู่สภาวะผู้ดูนะมันก็ไม่ได้ไปเข้าไปคุกคามอารมณ์ต่างๆ เพรต้องรู้จักอารมณ์ให้ชัดเลยปฏิบัติทำอารมณ์รูปน้ำเงี้ยนะอารมณ์น้ำเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ารูปภพ ม, มันคืออารมณ์รูปน้ำนั่นแหละกำหนดรูปเป็นอารมณ์ตากระทบต้นไม้เห็นต้นไม้บางคนก็ไปรับต้นไม้ดูต้นไมนะ้พอใจกับต้นไม้แสงเสียงต้นไม้นะั่นคืออารมณ์ที่เวรวารูปภพพอใจอยู่ตรงนั้นก็ติดอยู่ตรงนั้ น, น, ะนะอารมณ์อารมณ์รูปภพก็หมายถึงติดอยู่ในรมข้างในไปนี่ไม่ทําอะไรอีก เก็บตัวหลบอยู่ในกุฏินีนะอยู่ในที่ที่ไม่ต้องมีอารมณ์อะไรเลยนี้่นะไทยส่วนจะรู้จักว่ากระทบอารมณ์เป็นยังไงนะอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วไม่ทุกข์เป็นยังไงนะประเภทนี้มันอยู่ไม่ได้ในโลกใบนี้ยนะมันจะหนีมันจะหลีกอยู่ตลอดลเวลานไะม่รูมจะหนีตัวเองไปไหนนะหนี้ไม่ได้หรอกนะความทุกข์อยู่ในตัวแท้ๆเลยมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกนะ ภายนอกนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติ mm hmm. เหตุปัจจัยต่างๆที่มันมีอยู่มันเป็นปรากฏการณ์จริงๆเนี่ยแต่ว่าข้างในเรานะมีความรู้ ร, ร, รู้ตัวรู้สึกตัวเป็นเกราะ mm hmm. แต่ว่าตัวสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเกราะหุ้มไว้เลยมันออกในแดนนี้มาแล้งก็เป็ น, นแดนของโลกโลกโลกอียะธรรมแต่ถ้าหากมันอยู่ในแดนของปกติมันก็อยู่ในโลกของโลกุตะธรรมว่าจะมีธรรมะคุ้มครองอยู่ ทั้งคุณธรตรมต่างๆความอดทนอดกั้นความเมตตานะหรือว่าเิลิโอต ป, ปอ่าอายช่วกลัวบาปนะหรือว่ามีลัณะของคุณธรรมตร่างๆที่เราว่าขยันประหยัดซื่อสัจตันยูนหรือว่าเมตตาวินาเมตตาเบขานะมันจะเกิดขึ้นมามันอยู่ในลนัณะของในคอกนะในคอกที่ล้อมไว้ด้วยสติปัฏฐานกนะ็จนะึงเข้าใจว่าสติปัฏฐานน่ะทำไมมันเป็นพ่อนะเป็นแม่ของธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดนะ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราแล้ว เ, เราสามารถหยิบใช้ได้เลยทันทีมันดีว่าบุคคลหนึ่งสองสามประตูหนึ่งสองสามที่อยู่ภายนอกมีลูกบางทีก็เราก็เชื่อว่าลูกเกาก็ดูแลตัวเขาไม่ได้เขาดูแลเราไม่ได้เหมือนกันอย่างผมเลือดธรรมามีสามคนลูกชายสามคนเราก็มีความเชื่อว่าเขาก็ช่วยวเรวองไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับสมัยที่เราอายุขนาดนี้เราก็ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกันเราก็ยัง หาอยู่หากินแล้วก็นึกถึงอนาคตว่าจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงยังสับสนยังยุ่งเหยิ ง, นะง 3, ยังมีวมัตถุ 3, หนึห่งสองสามก็ยังมีความทุกข์มีบุคคลหนึ่งสองสามล้มหน้าล้มหลังแล้ก็ยังมีความทุกข์เวลาอยู่คนเดียวทําไมมันเหงาว่าเวรสับสนมันบอกไม่ถูกนะมันไม่มีความว่างอยู่ภายในจิตใจของเรานะมันไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งรู้ชัดว่าอารมณ์อาการต่างๆมันเะกิดจากการคิดการปรุงนะนะ เราไม่รู้จริงๆจนกว่าเราได้ฝึกหัดปฏิบัติเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเราก็เห็นแล้วอ๋ออย่างน้อยๆนะการเคลื่อนไหวนี่มันก็ช่วยเราได้ทำให้เราออกมาจากความคิดเล็กๆน้อยๆเป็นลักษณะของจิตปกติที่มีอยู่บ้างบางครั้งบางคราวก็ยังดีสอดดแทรกๆไม่ให้ความทุกข์มันเชื่อมโยงต่อเนื่องจนไม่จนจ น, จนไม่ได้มีเวลาพักไม่ได้มีเวลาหยุด ท ก, กังที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกก็ออกมาทันทีนะก็จึงชื่นชมหลวงปู่เทียนชื่นชมมีความศรัทธากระลบเรื่อมใส่ที่ท่านเองนะเป็นข้าวดีแล้วก็สามารถที่จะเห็นความสุขที่เกิดจากความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความสุขท่านเห็นตรงนี้ตั้งแต่ตอนที่เป็นโยมเลยทีเดียวนะื่องจาเรื่องของนะการปฏิบัติธรรมที่ท่านสามารถประยุกต์ เอาการเคลื่อนไหวตัดคำบริกรรมทิ้งงานเนี่ยศรัทธาท่านแทนที่จะเป็นการเคลื่อนว่าติงนิ่งติงนิ่งความคิดที่เป็นตัวความคิดสมมุติมาจากการเคลื่อนการไหวทัานกะตัดทิ้งตรงเนี้ยท่านพบได้ยังไงนะทางท่านนี่ท่านอ้างว่าท่านไม่ได้ศึกษาจากตำรานะแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆด้วยหลังจากที่ลงมือปฏิบัติอาจารย์มาสอบอารมณ์ท่านก็พูดว่าเออเกลือไม่เค็มอย่างเงี้ย ท่านพูดว่าเกลือไม่ได้อยู่ในปากมันจะไปเค็มได้ยังไงอาจารย์มาสอบอารมณ์ถามว่าเกลือเค็มไหมอยู่ๆยกเรื่องขึ้นมาชงเรื่องขึ้นมายกแม่ขึ้นมาเป็นสมมติบัญญตัติเกลือก็ไม่ได้มีอยู่ตรงหน้าแต่ท่านก็สามารถตอบได้อย่างอาจฐานโดยลักษณะของสภาวะของธรรมะที่มันเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาปัจจุบันขณะเยเกลือก็ไม่ได้มีอยู่ในปัจจุบันเกลือมันแค่คําพูดเป็นลมปากเฉยๆ มันจะมีที่ไหนในปากมันจะเค็มได้ยังไงมันก็รู้สึกธรรมดาธรรมดาธรรมชาติที่มันอยู่ในช่องปากเจิดเจดอยู่เกลือไม่ได้อยู่ในปากผมเนีย่ยจะได้มาเค็มตอนนี้อารมณ์ปฏิบัติเนี่จะเป็นอย่างนี้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าพริกก็ไม่ได้เผ็ดอะไรพริกเผ็ดไหมก็ไม่ได้เผ็ดอะไรมันมันอยู่ในปากขนาดนี้ะแล้วถ้าให้ไปข้างหน้านี่ยมีเสืออยู่ตัวหนึ่งจะไปไหมเสือมันดูมันกินคน มันกัดคนอนะไรเงี้ยอาจารย์ใช้ผมก็ต้องไปนะ่ะผมไม่กลัวมันจะกลัวทําไมนะเสือมันอาจจะไม่ได้กัดผมมากผมอาจจะฆ่าเสือตายก็ไดนะ้มันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเราฟังแล้วเราก็อึ้งเลยนะโอ้ท่านตอบอย่างเงี้ยนะแสะดงว่าอารมณ์เป็นอารมณ์ปัจจุบันจริงๆนะอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าจริงๆเราก็โอ้มันมันวิธีการเป็นอย่างนี้นี่เองเี้ย เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวมีอะไรเกิดขึ้นมากลับมาดูความเป็นจริงขณะนี้ก่อนมันมีอยู่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นบ ท, บทสนทนาจริงเวลาเราคุ ย, ยัะไม่สนุกหรอกนะถ้าปฏิบัติธรรมจริงนะมันจะไม่ได้สนุกเนะวลาไปพูดคุยมันจืดเลยมาเดินหนีเลยโอ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเรงนี้เอาพูดนะโอ้หลงแท้เลยมันจะเห็นอย่างนั้นแหะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะนะพูดได้เลยแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องพูดเีนะเพราะว่ารู้สึกตัวมันก็เป็นคําตอบอยู่แล้วหลวงพ่อเทียนนสอนมาสองปีกับแปดเตือนเป็นโยมต้งเคียงขาสั้นผมเรื่องน ม, มันไม่เคยรู้ไม่เคยทราบว่าทัานนะปฏิบัติรู้แต่ตอนเป็นโยมตอนนั้นมารู้ตอนที่บวชแล้วตอนที่เข้าสายงานแล้วกยกเรื่องนี้มาพูดให้ฟังแล้วตอนหลังมีการเปิดสื่อฟังสื่อ มันมีสื่อกองอยู่สื่อทั้งหมดของหลวงปู่เทียนนะฟังผ่านหูมาเลยแต่ฟังแล้วไม่ได้จํานะตรงไหนที่มันอุ้มตรงกับสภาวะตรงกับสภาวะที่กําลังเป็นรับรู้รับทราบตรงไหนที่ไม่ตรงกับผ่านไปผ่านไปผ่านไปสมัยก่อนจะมีอยู่ทอรหนึ่งทอสองทอสามทอยี่สิบทอสารพัดนั่นนะทอคือหลวงปู่เทียนนะมันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ฟังเพื่อให้รับรู้รับทราบว่าท่านพูดอะไรทั้งหมด เรื่หลวงพ่อเขียนก็ตามเวลาฟังเทศไม่ได้ฟังแล้วสรุปเอา ต, ตอนใดตอนนึงฟังมา14ปีถ้าช่วงไหนอยู่ท่านเทศจะมานั่งฟังมาทําวัดน่ยถือว่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เก็เดเล็กเก็ดน้อยผสมประสานมันเป็นกิจวัตรที่ต้องทำนะท่านพูดหรือท่านไม่พูดเรื่องท่านแต่ท่านพูดท่านพูดอะไรเราก็ฟังรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้ไไดแล้วก็ผ่านเห็นนหม เสร็จแล้วท้ายสุดไอตัวปฏิบัติจะสวมก็ทันทีนะถ้าเรามีสภาวะเราได้รู้อ๋อ oh, ท่านพูดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เราได้เห็นตัวเราหรือบางทีก็มีรอยนะอยู่ข้างหน้านิดหนึ่งที่ท่านชี้เอาไว้พอท่านชี้เอาไว้มันยังไม่มีที่เราแต่รู้แล้วมันมีตรงนี้มันต้องมีตรงนี้ท่านพูดเอาไว้ท่านย้าเอาไว้บางทีท่านพูดถึงว่าเอออ้างเรื่องอนะว่าบางทีมีแล้วณะของหมาหลุดโซ่นะ บางที่คนพรอมได้สภาว่ามันจะเหมือนหมาหลุดโซ่เงี้ยเราก็ฟังอะไรว่าหมาหลุดโซ่เราก็นึกว่าเคยเลี้ยงหมาอยู่เราล่างมันไว้นะแล้วมันก็ตะกายอยากออกจากโซ่เงี้ยนะเสร็จแล้วมันก็จะร้องบ้างหรือว่าแสดงพฤติกรรมดึงโซ่บ้างพอเราปล่อยมันเท่านั้นนะมันก็เรียกว่าวิ่งรอบบ้านเลยอ้อมบ้านเราก็กระโดดลดเต้น หมาหลโลตโต้เราก็เลยสังเกตนอ๋ออาการที่เราเก็บกดเนี่นะพอเราเก็บกดมากๆเวลาปฏิบัติมากๆกวันปฏิบัติมากๆเนี่ยคือมันฝันแหลกเลยบางทีพอปฏิบัติมากๆนะ่ะออกไปคุยเนี่ยอร่อยมากๆเลยเราก็เลยจับอารมณ์ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะได้ต้องการให้คนติดต้องการให้คนก็ชื่นชมแล้วคนศรัทธาเริ่มใสนะ่เวลาพระก็เหมือนกัน ลองตั้งใจแบบดีๆทิ้งไว้สักสามสี่วันตอนช่วงเข้าอารมณ์นะหรือว่าสังเกตว่าปล่อยไว้ไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็น่าดำดำค้ำๆ น, นะลองเดินไปแถวกุฏิแล้วก็เดินไปไปพูดไปคุยแล้วก็เอาของไปให้ด้วยนะเอาของอะไรก็ได้น้าปาน้าก็ได้หรือว่าเอารองเท้าก็ได้เอาอะไรสักอย่างก็ได้ไปแจกเอาไปให้นะตรงนั้ น, นะจะดีกลายเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเลย ภาพรูปนั้นจะกลายเป็นคนที่เป็นคนที่น่าเคารพอันนี้เคยเจอมาสมัยหนึ่งเนีเคยอดอยากอยู่ที่วัดป่าสุกโตเก็บบะลมอยู่ที่กุฏิ13บนสะทีนี้อาจารย์หนุ่มนะแล้วก็อาจารย์สุรทัศนะ์ชอบว่าข้าวไปส่งชอบว่าน้ําปาน้ำปนไปส่งนะนะรวย อ, อยู่กุฏิสิกันเหมือนกันทีนั้นอาจารย์หนุ่มชอบเอาไปส่งเราก็จะศรัทธาเลื่อมใสเลยภาพรูปนี้โอ้โหมิตรแท้ของเรานะ เพื่อนตายของเราเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหมมาอยู่มาคอยดูแลมันจะเป็นตัวคลายอารมณ์เราตลอดเลยเวลาติดอารมณ์มาเห็นหน้าคนวันนี้จะคลายทันทีบางทีนี่ยมันมีความรู้สึกแล้วเดี๋ยวก็จะขอตอบแทนสักหน่อยกับสถานที่ก็ตามแผ่นปูนนะที่แบกขึ้นไปวันละแผ่นสองแผนนะ่นเนี่ยฉันข้าวเช้าเสร็จกับแบะขึ้นไปฉันข้าวเช้าเสร็จกับแบกขึ้นไปตั้งแต่ปากทางยันกูสิบสองเลยนะ กด11 12นะระหว่างนั้นนะก็คือมันเป็นอารมณ์บุญนะพอมันเกิดขึ้นมามันก็มีลักษณะของอารมณ์บุญหล่อเลี้ยงแล้วมันมีพลังกันทีนะ่มันก็จะผลขวายิ่งทำอะไรก็ตามเราก็สังเกตได้ว่าวิธีดักดักอาการที่มันเรียกว่าอารมณ์บุญนะเป็นความมือสีขาวก็คือให้ใช้ลักษณะของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยให้ทําเช่นโครูบาจารย์ใช้งานทักงามครั้ง ใจงานครั้งที่หนึ่งก็จะมีตัวล่อกองเขานะบางทีก็ชวนออกไปข้างนอกครั้งที่หนึ่งชวนไปออกข้างนอกครั้งที่สองชวนออกไปข้างนอกครั้งที่สมก็คือบางทีท่านเห็นว่าเราปฏิบัติแล้วเก็บกดแล้วก็มีอาการที่มันเหมือนกับเข้าข้างในเกินไปถ้ากนจะชวนนั่งรถเล่นนะนะจมนกชนไม้มก็ผ่อนคลายก็สังเกตได้ว่าพอเข้าหมู่บ้านทํามาไปนะออกนอกวันก็ยังกําหนดเก่งๆแกลกๆอยู่ แต่พอเราออกไปโมบ้ันทำรถไฟแล้วก็ช่วงลงขาเนี่ยมันมองไปมันโล่งมันหลุดแถวนั้นนะนะแต่พอหลังจากเข้าไปในแกแล้งข้อเล่ามือจ่ายเหมือนกับว่าเห็นแลน า, าการแยกแยะของวัตถุกับตัวเราแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าเพื่อนบางคนก็จะเริ่มไปซื้อหนังสือพิมพ์เริ่มไปซื้อบัตรเติมโทรศัพท์เริ่มไปซื้อของที่เซเว่นอีเลฟะคับหลงไปแล้วเราก็ได้เห็นชัดเจนเลยนะเอาก็เป็นครูทันทีไม่ได้หมายถึงว่าผิดนะ แต่จริงๆเออเราก็เห็นว่าเรายังไม่ไปนะเราเห็นนะจิตก็ลํายังแยกแยะกันอยู่ระหว่างวัตถุภายนอกกับตัวเราที่ยังรู้สึกตัวอยู่กับอารมณ์ในมันปกติปกติตรงนี้ได้เห็นชัดๆบ่อยๆเพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเคลื่อนตัวยอยู่กับกิจวัตรประจำวันบ้างอยู่อาการงานบ้างหรือว่าออกไปข้างนอกแต่ว่าให้ไม่ใช่เราดำํำริให้เป็นงานของครูบาอาจารย์ท่านดำํำริแล้วกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามอย่างเนี้น ส่วนตัวผมแลาอาจจมาใช้ครั้งที่สามอยู่เสมอถือว่า พ, พุทธธรรมพระสองเสร็จแล้วก็อไปก็ไปว่าไงก็ว่ากันแล้วก็จะพยายามสังเกตอารมณ์ในตัวเราว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรตัวเนีน้เราก็จะได้เห็นร่องรอยอาการหลุดหรืออาการเข้าไปยึดอาการหลุดก็หมายถึงว่าเวลาเรารู้สึกตัวสักระยะหนึ่งมันปกติรู้สึกตัวกับการขึงนิ้วพิกมือไปพิกพมือมาเสร็จะลองจะมีวัตถุที่บัลลรอบ เช่นเข้าไปในเมืองอย่างนี้นะจะมีของที่เราชอบกินแล้วของที่เราเคยชอบดูอย่างผมที่ชอบดูการทาสีตึกการออกแบบตึกว่าเข้าไปถึงไหนแล้วก็ใช้วัสดุอะไรเวลานั่งรถไฟนะนะสองข้างทางนะชอบดูแบบนั้นนะวัสดุการประกอบแล้เวเทคนิคก็ใช้ยังไงไมาเรียนรู้แบบนี้เป็นนิสัยเลยทําไมก็ต้องมาทัวรนี้แล้วก็เอาเทรนเนี่มาจากไหน มาจากเกาหลีจีนวัสดุมาจากสิงคโปร์หรือว่ามาจากญี่ปุ่นสไตล์เป็นยังไงความมักง่ายมีอยู่ตรงไหนความละเอียดเรียบร้อยมีอยู่ตรงไหนในเชิงของเทคนิคมันก็สนใจแบบเนี้ยเราก็รู้แล้วนี่มันไปแล้วนี่ดูว่ามันเรียนรู้ดูเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าบางทีถึงกับหันคอแทบหักเลยนะบางทีมันถูกใจนะพอเห็นว่าถูกใจมันมองแล้วอู้ดอู้เฮ้ยนี่คอมันหันแล้วเนี่ย จิตมันไม่ได้นั่งอยู่ผ่อนคลายนินมันหันมันเก๊กมันเกรงมอนคอมันก็เห็นชัดยนะมันไปแล้วนะของวัตถุที่ว่ารูปประพรมติดความพอใจในรูปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์นะแต่มพอใจอ่ะเราก็ได้เห็นเลยทันทีบางทีมันก็คอหันแล้วอ่าดูต้นไม้ดูนาดูพระอาทิตย์เอ๊ะมันหันได้ยังไงนยมันเป็นล็อกอยู่นั่นมันละเอียดดีตัวเบิ้งเนี่ยหรือบางทีมันก็หลงอารมณ์อยู่ข้างใน พอมันหลุดไปปุ๊บเนี่ยมันทันทีแล้วอา้าวหันอีกแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่เราฝึกเนี่ยนะการเคลื่อนมันก็จะได้เห็นการเคลื่อนที่เรานะเจตนาเคลื่อนหรือว่าไม่ได้เจตนาเคลื่อนในี่ยชัดมากมันจะเป็นเรื่องของการฝึกการหัดได้ตลอดเว ล, เวลาๆส่วนความเป็นปกติตามธรรมชาติธรรมดาธรรมดานะมันจะเกิดจากการที่เรารู้สึกตัวทุกครั้งเลยพอรู้สึกว่าคลิปมันก็นหลุดมาสู่ความเป็นปกติเพราะฉะนั้นพื้นที่ของความเป็นปกตินะ มันจะเกิดอยู่ในแดนของสติปัฏฐานเท่านั้นทุกครั้งที่มันมีสติปัฏฐานคือการกลับมาหาตัวกายตัวใจตัววัตถุรูปนามกันให้ในตัวเราเนะี่ยตัวนี้มันจะปรับให้เราทันทีเลยสมดุลตัวนี้เพระาะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะฉลาดครั้งหนึ่งอาตมาเคยเห็นหลวงพ่อท่านสอนอาตมาพูดแล้วพูดอีกจุดนี้ก็ประทับใจนะประทับใจเราก็เดินแบบเอาเป็นอาตายช่วงเก็บอารมณ์เข้ม เดินเดินเดินเดินเดินแล้วทดลองตั้งใจว่าเดินแล้วเนะยปฏิบัติแล้วนะขอสิบเจ็ดชั่วโมงตัวเองนะขอเลยสิบเจ็ดชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงก็น้อยไปวันนึงมีหยิบสี่ชั่วโมงมีการเรื่องการเดินออกไปฉันเราก็ไม่ถือว่าตัวนี้เป็นรูปแบบเราถือว่านอกรูปแบบหรื่อการยกมือสักผ้าสักผ่อนฉันอาหารนี่นเราถือเป็นนอกรูปแบบเราไม่ถือเป็นรูปแบบนะ เอามาถือว่าการเคลื่อนมือสิบสี่ว่าเดินจงกรมมเป็นรูปแบบไอ้ตัวเนี้ยขอสิบเจ็ดชั่วโมงต่อวันแล้วขอติดต่อกันเป็นยี่สิบเอ็ดวันเพราะถือว่าทําเป็นนิสยัยต้องยี่สบวันตัวเลขนะ่ยมันจะมีมถถนันมาตรฐานงการฝึกส่วนตัวนะแล้วก็วันนึงถือว่าขณะจิตหนึ่งนะรู้สึกตัวครั้งหนึ่งวันหนึ่งนะมีแสนแสนกว่าขณะจิตอย่างหยาบถ้าในวันหนึ่งวันนะเรารู้ แสนขณะจิตกระทบรู้กระทบรู้กระทบรู้วินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งหนึ่งนาทีนะมีหกสิบวินาทนะีถ้าเราฝึกวินาทีละหนึ่งรู้หนึ่งนาทีก็หกสิบรู้ก็คูณเป็นตัวเลขทั้งหมดเก้าทนะุลักเ้านี่ยคูณเป็นตัวเลขทั้งหมดนะเพื่อให้เราเหมือนกับว่าหาจุดอ่อนว่านาทีใดที่มันหลงเผลอนาทีใดที่มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบนะขออภัย บางทีเนี่ยไม่ดื่มน้ำํำไม่ดื่มน้ำเลยใช้ลักษณะของปสัสสาวะตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เสียวเวลามันคิดว่าการไปตักน้ําเสียวเวลามากดื่มน้ําวันละ5ลิตรอย่างเงี้ยนะก็ใช้ละหษณะการดื่มน้ำห้าลิตรเนี่ยมันก็เยอะนะก็คือกันลอนใหญ่น้ํา5ลิตรนะตักมา5ลิตรครั้งเดียวแล้วก็ดื่มให้หมดเลย1วันหลายอย่างนั้นก็จะดื่มน้ําปัสสาวะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันมันมันปัสสาวะมาเมื่อไหร่ก็ดื่มน้ําปัสสาวะ อยู่ตรงนั้นเลยคขังตัวเองอยู่ในกุฏนะเพื่อให้ทําเวลาให้ได้สิบเจ็ดชั่วโมงนะกับรูปแบบนั่งสร้างเข้าไว้บนาะงทีกับลุกรรยืนถ้าเราแล้วจะใช้เอียบด้ใดเป็นตัวหลักเช่นเดินจงกรมนะก็จะเดินให้มากเข้าไว้แล้วเคลื่อนมือนเป็นอารมณ์รองบางทีใช้การเคลื่อนมือเป็นอารมณ์มมหลักเข้าไว้แล้วก็ใช้อารมณ์เดินเป็นตัวรองเงนะี้ยโอ้สังเกตปฏิบัติอยู่นะ <c oughs> มันก็จะมีอาการแน่นหรือว่าอาการที่มันคมตัวเองอย่างมากเวทนาก็จะเกิดอย่างมากจะคมอย่างมากนี่นะแต่พอมันหลุดแล้วมันสบายสังเกตว่าพอมีอาการที่มันมันหลุดขึ้นมามีความแตกต่างชัดเจนมากเลยมันก็จึงเรียกว่าเป็นประสบการณ์ไม่ใช่หมายถึงว่าถูกหมายถึงว่าผิดถูกผิดไม่มีสําหรับนักปฏิบัติมิตรประสบการณ์เรียนรู้แล้วก็ทยส่วนจะเลือกเป็น อะไรคือความพอดีอะไรคือธรรมชาติอะไรคือความเป็นปกติอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเป็นกลางความผ่อนคลายห ร, รือว่าความธรรมดาธรรมดามันจะบอกทิศบอกทางเราด้วยความรู้สึกตัวนะนะถ้ามันเกรงมันรู้สึกอย่างไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกอย่างไรวางกายวางใจอะไรนี่ทำให้เกรงแล้วรู้สึกปฏิบัติไม่สะดวกมันก็จะบอกเรา ร, ร้ว่าเวลาผ่อนลคลายนะคลายคลา แต่ว่ากรรมฐานในรูปแบบมันไม่ชัดรู้ว่ามันปกติอยู่แต่ว่ากรรมฐานรูปแบบไม่ชัดจิตมันเฉยเฉยอยู่เป็นอุเบกขาธรรมอยู่แต่ว่ารูปแบบไม่ชัดตรงนี้มันจะเผลอหลงได้ง่ายเรียกว่าอินเลยนะพอตาดูกระทบปั๊บมันก็อินทันทีหูฟังปั๊บมันก็อินทันทียเงี้ยอันนี้เราต้องสังเกตเอาไม่ถูกไม่ผิดน ะ, นะเพราะฉนั้นสรุปให้ว่านในท้ายสุดนะสรุปให้ว่า การปฏิบัติรมจึงต้องมีการมีประสบการณ์เรื่องการเก็บกดอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะสองประสบการณ์ของการปฏิบัติต้องมีการกบเกรือนสามการปฏิบัติของเรามันจะเรามีการกล่อมตัวเองดีวยให้คนอื่นมาพูดกล่อมเราสีกายธรระมะเราจะต้องเห็นความกลมกลืนเนื่องจากจิตเกิดความเป็นกลาง พอม่มีความเป็นกลางเราจะเห็นรูปรถกินเสียไม่มีความกลมเกลืน่นตัวเนี้ยมันเหมาะที่อยู่ในโลกนี้ะตรงเนี้ยไปไหนก็ได้มันจะมีความเป็นกลางแล้วกลมเกลืน่นเราจึงเข้าใจว่าในโลกใบเนี้ยไปอยู่ที่ไหนต้องมีความกลมเกลืน่นเรียกว่าตกกระไดพะการจอหรือเรียกว่าตามน้ํำไปอยากรู้เรื่องใดให้ทําอย่างนั้นะถ้าจะเรียนรู้กับครูบาอาจารย์คนใดก็ทําอย่างครูบาอาจารย์คนนั้นไปเลยะ อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเหยียบรอยวัดรอยแต่เรียกว่าเดินตามรอยเดินตามรอยแล้วเราได้เห็นว่าความรู้สึกตัวทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันคืออะไรเนีย่ยเป็นเรื่องที่เป็นคำตอบในตัวเราก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาตอบให้เราอีกเป็นตัวของเราที่เราต้องรับผิดชอบตัวเราเองนะเรียกว่าอาตายิอัตนโนนาแตว่าตนเป็นที่เพึ่่งนตน ตัวนี้เราจึงมาร่วมการปฏิบัติธรรมรวมตัวก็เป็นกรีอารมิดนะถ้าเกิายเจอก็คือไม่เป็นไรให้ท่านแสดงออกของท่านให้เต็มที่ส่วนเราก็เอามาเป็นครูผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูถ้าเกิดเก็คือเราก็จะได้ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรนะนะั่นแหะตอนนั้นคือสราว่สาวสภาวะที่เป็นประมัฏฐาทั้งหมดนะัมันเป็นลนักษณะของการเห็นเป็นประมัฏฐาทั้งหมดไม่จะมีสมมุติอะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้ามีสมมุติขึ้นมาคือสมมุติสัจนะ เพื่อให้เราได้เหมือนกับปรับตัวปรับกายปรับใจเพื่อที่จะเหมือนกับว่าอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนะมีลักษณะของกิจวัตรประจําวันมีลักษณะของประเพณีมีลักษณของวัฒนธรรมมีลักษณะของศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล2องร้ยบเจหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเราทําผิดพลาดอะไรไปนะมันก็เกี่ยวข้องกับสังคมชุมชนก็จะมีนิตินในมาลองรับอีก นะกฎหมายบ้านเมืองของเราก็มีอบต อ, อย่างเงี้ยนะมีผู้ใหญ่บ้านมีคำนัน่นหรือว่ามีระนาดของนะตำรวจสถานีตำรวจหรือว่าออกไปถึงกันที่รียกว่าขึ้นลงขึ้นศาลมันก็มีอย่างนั้นจริงๆเราก็จึงเรียกว่าอยู่กันโดยไม่ประมาทจริงๆไม่ประมาทในทรรจริงๆอย่างเงี้ยนะอ่ะวันนี้ก็เพื่อได้ฟังแบบนี้ละกลัลบมา พ, พร้อมกัน